อาสุภะกรรมฐานปฏิวัตไปสู่วิปัสสนากรรมฐานทีนี้อาศัยสิ่งที่รู้ที่เห็นดังนี้จิตจะสามารถปฏิวัตไปสู่ภูมิของวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่โดยปกติธรรมดาแล้วถ้าหากจิตมองดูแต่ส่วนที่ร่างกายที่สลายตัวไปตามที่กล่าวแล้วรู้อยู่เฉยเฉยแล้วก็มีความรู้เพียงแค่นั้น อันนี้ก็เป็นภูมิรู้แค่ขั้นสมถกรรมฐานเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความรู้โดยเอาความสลายตัวของร่างกายที่ปรากฏนั้นเป็นเครื่องรู้และปฏิวัติภูมิรู้ไปสู่พระไตรลักษณ์สำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาบังเกิดขึ้นคือสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อมองเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วทุกขังอนัตตาไม่ต้องนึกถึงก็เป็นอนรู้ไปเองเพราะของสามอย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังอนัตตารู้อนัตตาทุกขังก็รู้อนิจจังอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ที่ปฏิบัติและทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ล้วนแต่เป็นไปโดยอัตโนมัติผู้รู้ก็รู้อยู่เองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เป็นเครื่องรู้ก็มีปรากฏการอยู่โดยอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ผู้รู้ก็รู้อยู่สภาวะที่เปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการให้เห็นอยู่ก็มีอยู่ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านมักจะพูดในตอนนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ สักแต่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้น